อปรคาถาสังคณิกะว่าด้วยกลุ่มคาถาอีกกลุ่มหนึ่งหนึ่งโจธนาธิปุจชาวิสัชนาว่าด้วยคำถามและคำตอบการโจ์เป็นต้น 359. หท่านพระอุบาลีทูลถามว่าการโจ์เพื่อประโยชน์อะไรการสอบสวนเพื่อเหตุอะไร สงเพื่อประโยชน์อะไรส่วนการลงมติเพื่อเหตุอะไรพระผู้มีพระภาคตรัสว่าการโจทย์เพื่อประโยชน์ให้ระลึกการสอบสวนเพื่อประโยชน์จะขม่มสงเพื่อประโยชน์จะช่วยกันพิจารณาส่วนการลงมติเพื่อช่วยกันวินิจฉัยแต่ละเรื่อง ถ้าเธอเป็นผู้วินิจฉัยอธิกรอย่าด่วนพูดอย่าพูดด้วยความเกลี้ยวกราดอย่ายั่วความโกรธอย่าพูดโดยผลินผลันอย่ากล่าวด้วยถ้อยคำชวนวิวาทไม่ประกอบด้วยประโยชน์วัดคือการซักถามอันอนุโลมแก่ศิษขาบทที่พระพุทธเจ้าผู้เฉียบแหลม มีพระปัญญาทรงวางไว้ตรัสไว้ดีแล้วในพระสูตรในพระวินัยในอนุโลมในพระบัญญัติและอนุโลมิกะเธอจงพิจารณาวัดคือการซักถามนั้นอย่าให้เสียคติที่เป็นไปในสัมปรายภพเป็นผู้ไฝ่หาประโยชน์ จงซักถามถ้อยคำที่ประกอบด้วยประโยชน์โดยการสำนวนที่กล่าวโดยผลผลันของจำเลยและโจทเธออย่าเชื่อถือโจทก็ฟ้องว่าต้องอาบัติแต่จำเลยปฏิเสธว่าไม่ได้ต้องอาบัติเธอจงสอบสวนทั้งสองฝ่ายพึงปรับตามคำรับสารภาพ และถ้อยคําสำนวนคำรับสารภาพเรากล่าวไว้ในหมู่ลัลัชีแต่ข้อนั้นไม่มีในหมู่อลัชัชีอันหนึ่งภิกษุอลััชีพูดมากเธอพึงปรับตามถ้อยคําสำนวนดังกล่าวแล้วอลััชีบุคคลพระอุบาลีกราบทูลว่า อลาชีเป็นคนเช่นไรคำรับสารภาพของผู้ใดฟังไม่ขึ้นข้าพระพุทธเจ้าทูลถามพระองค์ถึงข้อนั้นคนเช่นไรพระพุทธองค์ตรัสเรียกว่าอลัชชีบุคคลพระผู้มีพระภาคตรัสว่าผู้ที่จงใจต้องอาบัติปกปิดอาบัติและถึงความลำเอียงคนเช่นนี้ เราเรียกว่าอลัชีบุคคลลัชีบุคคลพระอุบาลีกราบทูลว่าจริงพระพุทธเจ้าข้าแม้ข้าพระพุทธเจ้าก็ทราบแล้วว่าคนเช่นนี้เป็นอลัชีบุคคลข้าพระพุทธเจ้าขอทูลถามพระองค์ถึงข้ออื่นคนเช่นไรพระพุทธองค์ตรัสเรียกว่าลััชีบุคคล พระผู้มีพระภาคตรัสว่าผู้ที่ไม่จงใจต้องอาบัติไม่ปกปิดอาบัติไม่ถึงความลำเอียงคนเช่นนี้เราเรียกว่าลัดชีบุคคลบุคคลผู้โจ์ไม่เป็นธรรมพระบาลีกราบทูลว่าจริงพระพุทธเจ้าค่า แม้ข้าพระพุทธเจ้าก็ทราบแล้วว่าคนเช่นนี้ตรัสเรียกว่าลัทชีบุคคลข้าพระพุทธเจ้าขอทูลถามพระองค์ถึงข้ออื่นคนเช่นไรตรัสเรียกว่าผู้โจทย์ไม่เป็นธรรมพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุโจทย์โดยการไม่สมควรโจทย์ด้วยเรื่องไม่เป็นจริง โจดด้วยคำหยาบโจทย์ด้วยคำไม่ประกอบด้วยประโยชน์มุ่งร้ายโจทย์ไม่มีเมตตาจิตโจทย์คนเช่นนี้เราเรียกว่าผู้โจท์ไม่เป็นธรรมบุคคลผู้โจทย์เป็นธรรมพระบาลีกราบทูลว่าจริงพระพุทธเจ้าข้าแม่ข้าพระพุทธเจ้าก็ทราบแล้วว่า คนเช่นนี้ตรัสเรียกว่าผู้โจทย์ไม่เป็นธรรมข้าพระพุทธเจ้าขอทูลถามพระองค์ถึงข้ออื่นคนเช่นไรตรัสเรียกว่าผู้โจทย์เป็นธรรมพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิษุโจทย์โดยการโจทย์ด้วยเรื่องจริงโจทย์ด้วยคําสุภาพโจทย์ด้วยคําประกอบด้วยประโยชน์ มีเมตตาจิตไม่มุ่งร้ายโจดคนเช่นนี้เราเรียกว่าผู้โจดเป็นธรรมคนโจดผู้โง่เขลาพระอุบาลีกราบทูลว่าจริงพระพุทธเจ้าข้าแม้ข้าพระพุทธเจ้าก็ทราบแล้วว่าคนเช่นนี้ตรัสเรียกว่าผู้โจดเป็นธรรม พระพุทธเจ้าขอทูลถามพระองค์ถึงข้ออื่นคนเช่นไรตรัสเรียกว่าโจดผู้โง่เขลาพระผู้มีพระภาคตรัสว่าบุคคลไม่รู้คําต้นและคําหลังไม่ฉลาดในคําต้นและคําหลังไม่รู้ทางแห่งถ้อยคําสํานวนไม่ฉลาดในถ้อยคําสํานวน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 ข้าพระพุทธเจ้าขอทูลถามพระองค์ถึงข้ออื่นคนเช่นไรตรัสเรียกว่าโจดผู้ฉลาดพระผู้มีพระภาคตรัสว่าบุคคลรู้คำต้นและคำหลังฉลาดในคำต้นและคำหลังรู้ทางแห่งถ้อยคำสํานวนฉลาดในถ้อยคำสํานวน คนเช่นนี้เราเรียกว่าโจดผู้ฉลาดการโจดพระุบาลีกราบทูลว่าจริงพระพุทธเจ้าข้าแม้ข้าพระพุทธเจ้าก็ทราบแล้วว่าคนเช่นนี้ตรัสเรียกว่าโจดผู้ฉลาดข้าพระพุทธเจ้าขอทูลถามพระองค์ถึงข้ออื่น กิริยาเช่นไรพระองค์ตรัสเรียกว่าการโจดพระผู้มีพระภาคตรัสว่ากิริยาที่ถูกโจดด้วยศีลวิบัติด้วยอาจาราวิบัติด้วยทิฏฐิวิบัติและแม้ด้วยอาชีววิบัติฉะนั้นเราจึงเรียกว่าการโจทอภรขคาถาสังทนิกาจบ